เกี่ยวกับเรื่องการอบอบรมจิตคืออบรมกรรมฐานต <c oughs> ามจริงกรรมฐานใรจับฟังหรืออบรมหรือไม่ก็ตามเรามีกรรมฐานประจําตัวกันอยู่แล้วทุกคน ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นกรรมฐานผ้านับหวดทั้งหลายก่อนที่จะได้คลองผ้ากีบวนเป็นแบบพระพิเทศษละอุปัชัยยะก็ให้เปี่ยนกรรมฐานผ้ากรรมฐานผ้าซือกรรมฐานอันเป็นเข้าเป็นหมูดเป็นกรรมฐานเบื้องต้น ที่นัก บ, บวชทุกท่านทุกองจะต้องพิจารณาให้แตก <c oughs> มีคำกล่าวของครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่านัก บ, บวชต้องพิจารณากรรมฐานผ้าให้แตกต้องพยายามตีเส้นผมให้แตกให้ละเอียดพวกขับรถแทเตอร์ เขายังสามารถกดกลนไถคโคเขาสูงจดท้องฟ้าให้ลากเป็นลากรองได้ถ้าหากนักบวชตีผมเส้นเดียวไม่แตกจะไม่ง้อกว่าคนขับรถแท็กซี่หรือนี่มีเป็นคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวเป็นคติเตือนใจในเวลาท่านสอนลูกศิษย์ของท่าน <c oughs> ดังนั้นกรรมฐานห้านีจึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมหนอพระอุปชายะจึงให้เรียนกรรมฐานห้าก่อนอื่นนอกจากจะให้เรียนให้จำได้แล้วยังสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิปูณน้าเกลียดโสตโ ที่ท่านให้ทําเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเครื่องหมายของความสวยความงามหรือความไม่สวยไม่งามของคนเรานั่นอยู่ที่ผมขนและปันหนังผมขนและฟันหลังนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาอวดกันใครมีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงาม มีขนงามเขาก็เรียกว่าขนงามมีแล็บงามเขาก็เรียกว่าขนงามมีฟันงามเขาเรียกว่าขนงามมีผิวงามเขาก็เรียกว่าคนงา ม, ม, งามาาคือมีหนังงามถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมานั้นเรามองเห็นด้วยตาแล้วรู้สึกว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม เป็นของขี่ฤิวที่เร่ความกำหนัดจินดีหรือความพอใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเก่นอย่างคนที่มีผิวหนังเป็นที่กราดเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นบาดแผลต่างๆไม่มีใครชอบนอกจากจะไม่ชอบแล้วเรายัางไม่อยากเข้าไปนั่งใกล้เพราะมันสกปรก ดังนั้นความสวยความงามอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ปิดหูปิดตาปิดตาให้สาธุชนปู้ทุชนหมกมุ่นอยู่กับความสวยความงามเมื่อไปติดอยู่กับความสวยความงามแล้วก็เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรม ดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณากรรมาฐานข้าให้เห็นเป็นของปฏิปูณน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพื่อเปิดประตูด่านแรกเข้าไปมองธรรมะส่วนละเอียดภายในจิตไม่เช่นนั้นถ้าเรายังติดความสวยความงามอยู่ ก็ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นธรรมะอันละเอียดท่านเป็นของจริงภายในจิตของเราเพราะฉะนั้นกรรมาฐานห้าจึงเป็นสิ่งสมคัญมากคนเราจะติดกันรักกันหลงกันก็อยู่ในสิ่งห้าอย่างนี้เท่านั้นาหากเราพิจารณาสิ่งทั้งห้านี้ให้เห็นเป็นของปฏิปุณไม่สวยไม่งาม ไม่แต่เพียงฟังนึกคิดที่จิตใจรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปว่าไม่สวยไม่งามจริงๆเราก็จะได้ปรองปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นของปฏิปูเต็มไปด้วยของเน่าเปื่อยผุกพังเป็นของหน้าเกลียด โ, โรกเป็นอย่างดินเป็นโอบายสำหรับขจัด ราคะความกำหนัดจินตีซึ่งจะเกิดขึ้นร่มลงจิตใจที่เลตัวใดจะมีอิทธิพลเหมือนอย่างราคะไม่ดีการปฏิบัติทำถ้าราคะความกำหนัดจินตีเข้ามาเล่นงานแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายย่อมเสียท่ากันทุกองคพระเนนที่บวชอยู่ในวัด บวตจูได้ไม่ตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะราคะตัวเดียวดังนั้นประตูด่านแรกที่เราจะต้องรนลมต่อสู้กันยังเอาเป็นเอาตายก็คือการขจัดราคะความกำหนัดจิตดีแม้จะเป็นไปได้ชั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุน โทมเจตให้เข้าวหน้าไปสู่ความรู้แจ้งเหยนจริงในธรรมะตามความเป็นจริงอันนี้คือเหตุผลที่ท่านสอนให้พิจารณากรรมฐ า, านห้าทีนี้พูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาหมายความว่าการกบการลมหรือการบ่มนิสัย การพ่อคูณการสะสมคุณงามความดีมีโอบายวิธีหลายอย่างที่เราจะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติแม้ว่าโอบายวิธีนั้นๆจะมีมากมายสับเปียงใดก็ตามจุดมุ่งของการภาวนาเพื่อให้จิตสงบตั้งมัน่นลงเป็นสมาธิ สร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเป็นพลังงานของจิตสามารถที่จะเป็นเจสตสิกหนุนเรื่องจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อกล่าวถึงหลักการใหญ่ๆที่พอจะนำมากล่าวเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟัง โทษถึงเรื่องภาวนาหรือกรรมฐานหัวข้อใหญ่มีอยู่สองอย่างคือสมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจวิปัสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรื่องปัญญาคือให้เกิดปัญญานั่นเองทำว่าสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสนากรรมฐานก็ดี เป็นแต่เพียงชื่อของวิธีปาิัตเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติด้วยกันทั้งสองอย่างซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้จะเจริญวิปัสสนาต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนหรือทำจิตให้ได้สมาธิได้ทานสี่หรือทานอะไรก็แล้วแต่แล้วจึงจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้หมายความอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นการเข้าใจจิตของนักปฏิบัติความจริงทั้งสองอย่างเป็นแต่ชื่อวิธีการเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้นผู้มาปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธโยกหนอกองหนอะสัมมาอารหังเป็นต้น หรือใครจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นซึ่งสุดแท้แต่อารมณ์หรือบริกรรมนั้นๆจะเหมาะกับจริตนิสัยของตนบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบมุ่งหมายเพื่อขจัดนิวรมธาคือการมาฉันพระยาบาทจินมิท h อุทธจักขุข จ, จักเป็นวิธีการที่จะทำจิตให้สงบ ส่วนวิธีวิปัสสนานั้นหมายถึงการปฏิบัติโดยไม่ต้องบริกรรมภาวดาหรือท่องคาถาบทใดบทหนึ่งก็เริ่มต้นแล้วเราหาเรื่องมาพิจารณาเช่นจะพิจารณาว่าโรคไม่เที่ยงโรคเป็นทุกโรปเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุก เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์สัญญาเป็นอนัตตาสังขารความปรุงแต่งของจิตไม่เที่ยงสังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นทุกข์สังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวของตัวเวิยญาณความรู้แจ้ง ในทางทวารคุกคือตาหูจมูกลิ้นายและใจอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านเข้ามาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาพิจารณาย่อนกลับไปกลับมาจนจิตเกิดคว า, ามซ้่องตัวในการพิจรารณา แล้วทาให้ให้จิตเปิดมีวิตกวิการปีติสุขและเอกข้าตาสงบลงเป็นสมาธิตามลำดับตั้งแต่ขั้นคณนิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอกอัปันาสมาธิทังสองอย่างเป็นอบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้น จุดมุ่งหมายอยู่ที่สมาธิคือความสงบจิตบริกรรมก็ทํำจิตให้สงบมีวิตกวิจารปีสิสุเอกักคตาการพิจารณาก็ทําให้จิตมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารณ์ปีสิสุเอกักคตาไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันบางครั้งเราเกิดความเห็นขัดแ a ้ง ถ้เาเราไม่สามารถที่จะเอาความจริงมาประชันกันหรือมาเปรียบมาเทียบมาวัดกันที่เราเป็นเห่นนั้นก็เรานเหตุว่าในเมื่อเจอหน้ากันเข้าคนหนึ่งภาวนาเป็นอีกคนหนึ่งภาวนาไม่เป็นก็เป็นเหตุให้ขัดกันถ้าหากว่าไม่เป็นกันทั้งสองฝ่าย ก็ยิ่งเป็นเหตุให้ขัดกันยิ่งขึ้นถ้าหากว่าตางฝ่ายต่างเห็นตางรู้ต่างเห็นตามความเป็นติไม่มีอะไรที่จะขัดกันในประวัติศาสตร์รพ ร, ระพุทธศาสนามีไหมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายถกเถียงกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นขอให้สาธุชนทั้งหลาย เึงทำความเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติธรรมทุกแบบทุกอย่างทุกสบับมีจุดประสงค์อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้มีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้สภาวธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตา และให้รู้ว่าจิตใจของตนเองที่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับสภาวะธรรมเหล่านั้นเกิดความสุขแปะความทุกข์ก็จิตจะมีกามตัดจันาภวะจันหาวิภาวะันทรน์มีความยินดียินรายมีความพอใจแหลกไม่พอใจและเพื่อให้เจตโล้แจ้จงเห็นจริงในความเป็นจิตตามกฎของธรรมชาติ แล้วก็มีการปล่อยวางคือละกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจิตใจมีโลภโลกรดหลงเป็นต้นหรือเพียงแต่ว่าสามารถใช้โลภโลกรดหลงไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นโดยอาศัยหลักศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยผู้เท่าผู้แก่ตั้งหลาย ในเมื่อโพษถึงกิเลสตัณหาแล้วทุกคนรู้สึกว่าเหมนเบื่อแม้นเบื่อเอาจริงๆเริ่มกิเลสแต่เสร็จแล้วขอให้ท่านจงระลึกระย่าลืมว่าที่เลสนั่นแหละเป็นตัวการสําคัญที่กระต้นเตือนจิตของเราให้เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นี่เลสนั่นแหละเป็นตัวที่มีคุณค่า มีประโยชน์แก่บุคคลผู้มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตีวงข่อเกตของการใช้สิเลสให้เกิดประโยชน์ได้แก่ศีลห้าข้อใครจะโลภโมโทสันทะเยอทะยานไปเพียงใดแค่ไหนก็ตามจะทำอะไรลงไปให้นึกถึงศีลห้า สิ่งที่ทำลงไปไม่ละเบิดสีลห้าข้อใดข้อหนึ่งแม้จะเป็นพลังของกิเลสหนุนส่งก็ตามอันนั้นเป็นการไม่ผิดศีลและธรรมเราอยากมีเงินปลอะความโลภอยากมีสมบัติเข้าของเพลอะความโลภอยากมีอะไรไม่อะไรติาาปาถากลอบความโลภเราถ้าเยอถ้ายานพราะ อ, อ, อานาจของตันหา เราอยาได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเคราะอํานาจของตันหาแต่เมื่อเราทช้โลกและตันหาความเสียเที ย, ยนไม่ให้ผิดหลักศีลและธรรมคือเอาศีลฆ่าเป็นขอบเขตเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่จ่าไม่ตำหนิขอให้ใช้กิเลสให้ถูกต้องตามกฎเกณฑที่พระองค์ได้วางเอาไว้หรือได้ตีเส้นตายเอาไว้นักปฏิบัติทั้งหลาย ที่มีแก่ใจอยากจะปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องอ า, าอาศัยกิเลสอันนี้แหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือเราอยากได้สินเราอยากได้ทำเราอยากรู้ทำเห็นทำความอยากทั้งปวงทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นอาการของกิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราใช้กิเลสปิดขาก เราจะทำอะไรอะไรก็ตามต้องเริ่มต้นด้วยศีลห้าศีลห้าเป็นหลักธรรมปรับปรุงตายวาจาหลายใจของเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เรามีศีลห้าก็เรามีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าหากเวลาใดที่เราทำศีลห้าขาดไปสักข้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดหย่อนลงไปเหลืออยู่เพียงแปดสิบเปอร์เซ็น เพียงจะทำลายศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นหมดสภาพ ค, ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์กายวาจาหรือใจของเราก็ไม่เป็นภาชนะต่อซึ่งคอยจะลองรับคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกานให้ดังนั้นความมีศีลบริสุทธิ์สะอาดจึงเป็นสิ่งจาเป็น นอกจากเราจะมีเศษแล้วเราต้องมีสัจจะมีสัจจะความจริงใจการปฏิบัติธรรมท้งนั้นท้งนี้อาศัยสัจจะเป็นเครื่องเป็นหลักสำคัญพระพิสูสงฆ์ที่ท่านแสดงอาบัตหรือปลงอาบัตเป็นการประกาศสัจธรรมความจริงที่ตนได้ละเมิดร่วงเกินโดยไม่ปิดบัง เพื่อบำรุงสัจธรรมซึ่งกำลังจะป่อตัวขึ้นภายในจิตให้มีพลังเพิ่มขึ้นทุกตีทุกตีเป็นสัจจะปารมีแล้วก็เป็นสัจจอุปปารมีเป็นสัจจะปรมัาทบา ร, รมีสัจจะบารมีคือสัจจะที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่ง น, นี้สิ่ง น, นี้ แล้วเราก็ยังมีความตั้งใจควบคุมให้ความรู้สึกของเรามีสัจจะโดยสติปัญญาเรียกว่าสัจจะาระมีแต่สาท้าสัจจะของเราเองเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราจะตั้งใจก็มีสัจจะไม่ตั้งใจก็มีสัจจะสัจจะของเรากลายเป็นสัจจะอุปาปาระมี ถ้าสัจจะของเรามีความละเอียดจริง่งขึ้นไปกว่านั้นเป็นสัจจะความจริงใจที่แน่นอนเป็นสัจจะที่ไม่กลับกลอกเราตั้งใจจะรักพระพุทธเจ้าเราก็มีความรักอย่างแท้จริงเราตั้งใจจะเชื่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างจริงจังเชื่อว่าบนมีบาปมี หนเมื่อเชื่อลงไปแล้วมันเป็นความจริงใจที่เชื่อโดยอัตโนมัติเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะถอนกลับคืนมาเป็นความไม่เชื่อได้สัจจาในตอนนี้ของเราเป็นสัจจารปรมัถภารมีเเมื่อเรามีสัจจาเป็นปรมัาปารมีเราก็มีคุ ณ, ณธรรมเป็นเครื่องเชื้อคุณอดหนดให้จิตของเรามีศีลคือตัวปกติที่ปรากฏอยู่ภายในจิต เมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติมีสัจธรรมเป็นผู้ของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตนิ่งจิตสว่างจิตูลจิตเตื่นจิตเบิกบานมีความรู้สึกสำนึกผิดทอดทั่วดีอยู่ภายในจิตโดยอัตโนมัติซึ่งปราศจากเจตนาสัญญาใดๆทั้งสิน้นแต่หากกลายเป็นความเป็นเองโดยปกติของจิต หรือธรรมชาติของสีนซึ่งปรากฏชัดในจิตของเราเมื่อสีนปรากฏชัดในจิตของเราตัวปกติจิตก็เด่นชัดขึ้นเพราะตัวปกตินั่นหนึคือตัวสีนปกติที่ไม่กลับกอเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมคือสัจความจริงใจเมื่อเรามีศีนมีสัตวจิตของเราก็กลายเป็นสุดา เพียงแต่โลยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวสิ่งใดทั้งปรากฏการขึ้นภายในจิตจิตเข้าย่อมรู้รู้โดยอัตโนมัติโล้อย่างมีสติสัมปชัญญะร้อมฟุกขณะจิตเมื่อจิตมีสุตะการสดับตรับฟังความเคลื่อนไหวแต่ความเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตดวงนี้ก็มีอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งละลึกของสติ ส, สติของผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปตั้งมั่นลงที่อารมณ์ที่เกิดดับจุกับจิตภายในจิตของเราเองตัว ส, สติก็พร้อมที่จะเป็นอัตตโนมัติทำหน้าที่ของตัวไปเองโดยปราศจากสัญญาเจตนาเพราะอาศัยความรู้คว า, ามคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตเองนั่นแหละและมสีสติรู้เท่าทันคว า, ามรู้สึกนึกคิดที่เกิดดับจู่ภายในจิต เชิงปลายเป็นตัวปัญญาในเมื่อตัวปัญญาปรากฏเด่นชัดขึ้นตัวสติก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นปัญญากับสติวิ่งตามพันกันอย่างไม่ลดละไม่ลดลาวาสพอจิตปัญญาตัวปัญญาเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้อะไรเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้เพียงแต่มีสติรู้จูกับอารมณ์ที่เกิดดับตัดจิตเท่านั้น สียงที่เกิดจับกับจิตนั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมซึ่งมีกฎตายตัวปรากฏการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราดูอารมณ์ที่เกิดจับภายในจิตด้วยความมีสติเป็นอัตโนมัติตของผู้ภาวนาจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าสภาวะธรรมที่เกิดดับกับจิตนี้เป็นของไม่เทียง ม่รู้ว่าสภาวะเป็นของไม่เที่ยงพวกขังคืวความรู้ทุกก็ย่อมเปล่าเกุดขึ้นเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองสิ่งนี้จึงมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความเปลี่ยนแปลงและทนอยู่กับที่ไม่ได้ตลอดเวลานั่นเองเขาจึงไม่เป็นตัวของตัวโยได้ลักษณะที่เกิดขึ้นตรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัว พกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวใช้กันบ้างเราก็จะได้ความรู้ว่าสภาวะทั้งปวงในจักรวาลนี้ทรงตัวอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวในขั้ น, นต้นจดตของเราจะสามารถรู้ อันนี้จังความไม่เที่ยงทวกขงังความเป็นทุกข์อนาตาความไม่เป็นตัวของตัวของสภาวะและอารมณ์ซึ่งเกิดจับปับจิตถ้หาหากว่าจิตของเราประกอบด้วยองค์ข้าพุณมีศีละความเป็นสุขุปิมีสัจความจริงใจมีสุตตะคอยสะดับตรับฟังดูเหตุการมีปัญญาคือความพิจารณาเกิดขึ้น จิตของเราก็ย่อมจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะทำตามความเป็นจริงเมื่อไรทำว่าการละกิเลสเป็นแต่เพียงโวหารซึ่งจิตเขาจะปล่อยวางของเขาไปเองในเมื่อปล่อยวางไปเช่นนั้นจาคะการสละคืนซึ่งกิเลสแต่อารมณ์ย่อมปรากฏขึ้น เมื่อมีการสละกิเลสและอารมณ์จิตของผู้ภาวนาเกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นแม้เพียงทั่วขนาดหนึ่งขณะจิตเดียวก็ยังมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติถ้าหากไม่เช่นนั้นในบางครั้งบางโอกาสเรามีสติกำหนดรู้สภาวะที่เกิดดับกับจิตอยู่ขณะจิตใจ วิชาวิ่งเข้ามาครอบงำเกิดความรู้ไม่จริงขึ้นเกิดความเยอดในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาย่อมเกิดความยินดีเมื่อความยินดีความพอใจบางเกิดขึ้นผู้มีปัญญาจมรู้ทันทีว่านี่ตามมตนหากำลังจะเล่นงานเราแล้ว ถ้าเกิดความยินร้ายขึ้นผู้มีสติปัญญารู้ทันจะรู้ทันี่ว่านี่วิภวตัณหากําลังจะเล่นงานเราแล้วเพราะความยินดีและความไม่ยินดีเป็นสมุลฐานให้เกิดตารมาตัณหาวิภวตัณหาถ้าว่าเจตของผู้ภาวน า, า, วว า, วามีสติไม่โลดทันหรือปัญญาไม่เร็ววิชาไม่เกิด ไปหลงยศความเย็นดีเป็นายทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภาวะตันหาเมื่อจิตของเรามีตัวตันหาคือกามะตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาอยู่พร้อมมีหรือทุกจะไม่เกิดขึ้นในจิตนอกจากทุกจะเกิดขึ้นในจิตแล้วยังมีสุขเกิดขึ้นด้วยในบางครั้งบางโอกาสอารมณ์ทำให้เรารู้สึก เป็นสุกใจในบางครั้งทำให้เกิดโทกใจในเมื่อเกิดโทกใจสุกใจพวกมีสติปัญญาภาวนาได้สติหรือได้อุบายแล้วเขาจะเกิดวิชาความรู้แจ้งขึ้นมาทันตีว่านี่คือทพกอริยสัจเกิดึ้นกับจิตของเราพวกอริยสัจนี้ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทุกอริยสัตว์นี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนไปทั้งหมดเมื่อเขารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แม้ว่าทุกจะยังไม่ดับไปภายในจิตข้อตามเขาจะไม่มีการข้อถอยสติจะทำหน้าที่เองโดยอัตโนมัติดูทุกเรื่อยไป ในเมื่อมันทุกข์ถึงที่สุดแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองโศกถึงที่สุดแล้วโศกมันก็ดับไปเองในเมื่อโศกและทุกข์ดับลงไปแล้วอะไรจะปรากฏขึ้นนี่โลทะคือความดับทำไมจึงดับเพราะติดรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้าย เมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตก็ไม่มีความมัจันหาภวะมัจหาวิภวะัจจันหาเจิตจะย้อนกลับมาตั้งอยู่ในความเป็นปกติมีสัจจะมีศีลมีสัจจะมีสตัมีปัญญาแล้วก็มีจาคะมีวิมุติมีความหลุดพ้นตามขั้นตอน หรือแล้วแต่พลังจิตจะปฏิวัติตนให้เป็นไป